ตลาดพรท่านผู้มีจจตเมตากรุณาใจบุญใจขดสล ท, ทุกท่านวันนี้ท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง9ห้าเเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาว่า เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่สงสอนให้เราปฏิบัติกันเพราะการเราวัดก็เป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนเราไปเรียนหนังสือเราก็จะได้ความรู้ความฉลาดที่จะให้เราเอาไปใช้ในการทำมาหากิง เลี้ยงปากเลี้ยงทอง้องหาความสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราการมาวัตก็เป็นเหมือนกับการมาโรงเรียนวันนี้ก็เป็นสถาบันการศึกษาของจิตใจจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายเวลาจิตใจมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับเวลา เราไปเรียนหนังสือตามโังเรียนที่โรงเรียนเราก็เรียนในแต่ละชั้นเราเริ่มต้นชั้นอนุบาลแล้ว เ, เดี๋ยวเราก็ขึ้นชั้นปถมชั้นมะะัธยมชั้นอุดมศึกษาปริญญาตยโทเองไปตามลำดับ <c oughs> เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนกับเวลาเปิดเทอม ถ้าเปิดเทมแล้วไม่ลงเรียนไปเรียนคือมีพระพุทธศาสนาเราก็ไปเรียนกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะสอนวิชวิชาที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลําดับเหมือนกับเรียนหนังสือที่จะให้เราขึ้นไปมีความรู้มากขึ้นไปตามลําดับจากอนุบาลก็ไปสูง ปฐมจากปฐมก็ไปสู่มัธยมจากมัธยมก็ไปสู่ระดับปริญญาเรามาศึกษาแล้วเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะขึ้นไปเป็นชั้นๆสมมติว่าชาตินี้เรามาแล้วทำตามที่พระเจ้าสอนให้ทำสองอย่างคือทำทานและรักษาศีลห้า ถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆ ร, รักษาสี่ห้าอยู่เรื่อยๆพอพอเราตายไปก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนปิดเทอมปิดเทอมเราก็ไปขึ้นชั้นถ้าเราทาบุญทาทานรักษาสี่ห้าได้เราก็จะไปเป็นเทพไปเป็นเทพชั้นที่หนึ่งคือชั้นเทพชั้นเทพนี่ก็มีหลายชั้นเหมือนชั้นปฐมมีปฐมหนึ่งปฐมหก ชั้นเทพก็มีหลายระดับเราก็ทําระดับแรกก่อนทําบุญทําทานรักษาศีลพอตายไปก็เหมือนปิดเทอมปิดเทอมเราก็เลื่อนชั้นไปเป็นชั้นเทพพอเรากลับมาเกิดใหม่ก็เป็นเหมือนการเปิดเทอมถ้าเรากลับมาเกิดแล้วเรายังมาทําบุญทําทานรักษาศีลต่อทําให้มากกว่าเก่า พอโรงเรียนปิดเทอมเราตายไปเราก็ขึ้นสู่ชั้นที่สูงกว่าที่เราเป็นอยู่จากเชฟชั้นที่หนึ่งก็เป็นชั้นที่สองเป็ น, ช, นชั้นที่หกเหมือนปอหกพอจบปหกถ้าเราอยากจะขึ้นสู่ชั้นพรมที่สูงกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัตินอกจากการทาบุญทำทานรักษาศีลแล้ว เราก็ต้องมาหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบ ม, มหัดจเจริญสติพุโทโธพุธโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้ใจเราคิดอะไรพอคิดแล้วมันจะทําให้ใจเราไม่สงบนั่นเองถ้าไม่สงบก็ไปเป็นพรหมไม่ได้เป็นได้ก็เพียงเทพถ้าอยากจะไปเป็นพรหมต้องพยายามควบคุมความคิดของเราพุธโธพุธโธไปเรื่อยๆ แล้ว yup. ก็จะได้ฌานขั้นต่างๆได้เป็นพรหมชั้นต่างๆพรหมนี้ก็มีอยู่8ดชั้นนะรูปประพรมกับรูปประพรมชั้นที่หนึ่งก็มีอยู่รูปประพรมก็มีอยู่สี่ชั้นคือฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สาฌานที่สอรูปประพรมก็มีอีกสี่ชั้นก็คือความสงบที่มีความสงบต่างกัน สงบมากขึ้นก็ขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นถ้าเราจบชั้นเทพแล้วเราต้องไปต่อชั้นพรมเราก็ต้องมาหัดนั่งสมาธิควบคู่กับการทำบุญทำทานรักษาศีลไปแล้วเราก็จะได้ขึ้นไปสู่ชั้นพรมชั้นต่างๆพอร่างกายตายไปก็เหมือนปิดเทอมเราก็ไปอยู่ชั้นพรมกัน แล้วพอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็มานั่งสมาธิต่อทงสมาธิอยู่เรื่อยๆเราในที่สุดก็จะขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรมที่ชั้นสูงสุดได้แล้วต่อจากนั้นถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นแล้วจบชั้นมัธยมแล้วเราก็ต้องไปสู่ชั้นอุดมศึกษาต้องไปเรียนระดับปริญญาปริรโทเองถ้าเราอยากจะ เข้าไปสู่ระดับปริญญาเราก็ต้องปฏิบัติธรรมขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือปัญญาเราต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะคำสอนที่จะทำให้เราเกิดปัญญาให้เราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพระอริยบุคคลก็มีสขั้นเหมือนปริญญาที่มีอยู่สามขั้น เราก็ต้องเรียนปริญญาตรีก่อนจากนั้นก็ขึ้นสู่ปริญญาโทรปริญญาเอขึ้นไปจนถึงปริญญาขั้นที่สี่ขั้นที่หนึ่งเราเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีขั้นที่สเรียกว่าพระอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าขั้นพาาระอรหันการที่เราจะขึ้นสู่ชั้นตะ ท่านต่างๆนี้ได้เราต้องมีปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งนี้เราต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องศึกษาให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้เป็นดินน้ําลมไฟทํามาจากดินน้ําลมไฟข้าวที่เรากินเข้าไปก็เป็นดินผักก็เป็นดินน้ําที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นน้ํา ลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นลมพอเข้าไปรวมกันประสมกันก็ทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาทำให้ร่างกายมีความอบอุ่นมีอุณหภูมินี่คือเรื่องของร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเราของเราเรามาได้รับเป็นของขวัญจากพ่อแม่เราพ่อแม่เราเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมา ด้วยธาตุสีของพ่อแม่พ่อแม่เอาธาตุสีคือน้ำของพ่อหน่ยหยดมาผสมกับน้ำของแม่แล้วก็จะทำให้เกิดเป็นตัวร่างกายขึ้นมาแล้วแม่ก็เลี้ยงร่างกายนี้เลี้ยงตัวอ่อนนี้ด้วยดินน้ำลมไฟที่แม่กินเข้าไปอาหารที่แม่กินเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปลมหายใจที่หายเข้าไป และอุณภูมิควณความร้อนที่อยู่ในร่างกายของแม่ก็จะสร้างร่างกายที่อยู่ในท้องนี้ให้ค่อยๆเจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นมาให้มีอาการครบ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กสมองศีรษะอันนี้ทำมาจากอาหาร ที่มีอยู่ในร่างกายของแม่คืออยู่ในเลือดในเลือดนี้ก็จะมีทั้งดินมีทั้งนามีทั้งธาตุดินธาตน้าธาตุลมธาตุไฟที่จะไปสร้างร่างกายของพวกเราพอร่างกายของเราโตมีครบ32แล้วไม่สามารถที่จะอยู่ในร่างกายของแม่ได้ก็คลอดออกมาเหมือนกับเวลาเราปลูกต้นไม้ ตอนต้นเราก็ปลูกไว้ในกระถางแต่พอต้นไม้เริ่มโตขึ้นรากมันก็จะทำให้กระถางแตกเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ไม่สามารถเก็บไว้ในกระถางได้เราก็เอาไปลงดินเพื่อให้ต้นไม้จะได้จเจริญเติบโตขึ้นไปยิ่งกว่าเก่าถ้าปล่อยไว้ในกระถางก็จะไม่สามารถโตขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่มีดินให้มัน ขยายตัวดินมันถูกต้นไม้เปลี่ยนไปเป็นรากเป็นใบเป็นต้นไปหมดแล้วถ้าเอาดินใส่เข้าไปมันก็จะทำให้กระถางแตกเพราะมันจะรากมันจะขยายตัวร่างกายของเราเวลาอยู่ในท้องแม่ก็เช่นเหมือนเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางพ อ, อร่างกายเริ่มโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งแน่นท้องแม่แม่ก็เลยบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว ออกไปข้างนอกดีกว่าแม่ก็เลยเบ่งไล่ออกมาจากท้องอพอออกมาแล้วทีนี้เราก็เลยต้องมาหายใจเองเอาธาตุลมเข้าไปเองดื่มน้ำดื่มนมดื่ ม, มเป็นอาหารนมนี่ก็มีทั้งน้ำมีทั้งธาตุดินผสมกันอยู่ก็เข้าไปทำให้ร่างกายที่เล็กนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆ โ ต, โตด้วยดินน้ำลมไฟนี่แหละไม่ได้โตด้วยอะไรถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้หายใจไม่ได้ดื่มน้ำดื่มนมร่างกายนี้ก็ตายจเจริญเติบโตไม่ได้แต่ถ้าร่างกายมีลมมีน้ำมีอาหารคือดินนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่เรื่อยเรื่อยร่างกายมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตจากเด็กหนึ่งเดือน หนึ่งวันก็เป็นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็เป็นหนึ่งปีหนึ่งปีก็เป็นสิบปีค่อยๆโตขึ้นไปทีละดับจนในที่สุดก็โตเต็มที่อย่างที่เป็นเราเป็นกันอยู่ในตอนนี้ขอให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นเพียงแต่เป็นคนมาครอบครองร่างกายอีกทีหนึ่งเราคือผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าใจร่างกายนี้คิดไม่เป็นไม่รู้อะไร ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้ที่มาควบคุมร่างกายมาสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าต้องการให้เราแยกใจออกจากร่างกายให้รู้ว่าผู้ที่กําลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่นี้ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับเสียงเข้าไปในหูแล้วส่งไปให้ผู้รู้ผู้คิดคือใจ พอผู้รู้ผู้คิดได้ยินเสียงก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่ากำลังได้ยินอะไรได้ฟังอะไรวันนี้ก็จะได้ความรู้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟที่จะต้องเจริญเติบโตขึ้นไปพอเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้ว ก็จะเริ่มแก่ลงไปเสื่อมลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะหยุดหายใจเพราะว่าถึงเวลาที่ดินน้ำโลงไฟจะต้องแยกทางกันไปเวลาคนตายไปนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆน้ำที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาแล้วก็มันก็จะเน่าจะบวม แล้วต่อไปพอน้ำไหลออกมาหมดร่างกายก็จะแห้งจะกรอบทิ้งไว้ต่อไปก็จะูุพังกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเรื่อมันถึงเวลาแก่มันก็ต้องเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ต้องตายไปถ้าพวกเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นเพียงผู้ที่มาควบครอบครองร่างกายเราก็ถ้าเรารู้เราก็จะไม่ทุกกับร่างกายแต่ตอนนี้เราไม่รู้เราทุกกับร่างกายเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายแก่เราก็ทุกเพราะเราไม่อยากแก่ พอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยพอร่างกายจะตายเราก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากจะตายแต่ตัวร่างกายเองเขาไม่ทุกข์เลยร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ไม่รู้เวลาใครเอามีดไปฟันต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่รู้สึกอะไรแต่คนที่เป็นเจ้าของต้นไม้นี่แหละที่รู้สึก ถ้าเราปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงเนี้ยแล้วเกิดใครไปตัดต้นมะม่วงเราทิ้งนี่เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะเราไปเป็นเจ้าของต้นไม้แล้วเราก็อยากให้ต้นไม้ต้นมะม่วงนี้โตแล้วก็ให้ออกดอกออกผลเราไม่ต้องการให้ใครมาตัดมันทิ้งไปฉันใดร่างกายของเรานี่ก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นมะม่วงเนี้ย หรือที่เราเอามาใช้ประโยชน์เราเอาร่างกายนี้มาพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงไม่อยากให้เราเสียร่างกายนี้ไปพอร่างกายต้องตายจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจวุ่นวายใจเพราะความอยากของเราไม่อยากให้เขาไปแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายหรือว่าเรารู้ว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเขาจะต้องจากเราไปเหมือนกับของที่เราไปยืมเขามาเวลาเราไปยืมของเขามานี้เราจะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเอาไปคืนเจ้าของเราก็ยินดีจะคืนให้เขาถ้าเรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเราฉันใดร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟที่พ่อแม่มอบให้กับเรา แล้วเราก็เติมดินน้ำลมไฟเข้าไปยืมดินยืมดินยืมน้ำยืมลมยืมไฟมาเติมให้ร่างกายนี้จเจริญเ ต, ต, ติบโตแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องคืนเขาเขาก็จะมาเอาคืนไปดินก็จะเอาดินไปน้ำก็จะเอาน้ำไปลมก็จะเอาลมไปไฟก็จะเอาไฟไป เวลาตายพวกนี้ลมไปแล้วไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกมีแต่ลมจะออกไปเรื่อยๆคือกลิ่นที่ระเหยออกมานี่ก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็หายไปร่างกายเย็นเฉียบเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินที่จะแยกกันต่อไปน้ำก็จะไหลออกมาอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็ผุกลายเป็นดินไปนี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราพิ จ, พจารณาคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นดินน้ำลมไฟที่เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟที่เราจะต้องคืนเขาไปวันใด ว, วันหนึ่งเหมือนกับเราไปยืมรถของเพื่อนมาขับเดี๋ยวเราใช้รถเสร็จแล้วเราก็ต้องเอารถไปคืนเขา เพราะเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราเก็บไว้ก็เท่ากับการที่เราลักทรัพย์หรือเราไปโกหกหลอกลวงไปยืมของเขาแล้วแล้วก็ไม่ยอ ม, ยอมคืนเขาอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้เป็นของที่เรายืมเขามาที่เราจะต้องคืนเขาสักวันหนึ่งเราจึงต้องคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็น ของที่เรายืมมาจากดินน้าลมไฟแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องคืนดินน้าลมไฟไปไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครหยุดได้แม้แต่พระเจ้าก็ห้ามไม่ได้เพราะอันนี้มันมีพระเจ้าคือธรรมชาติดินน้าลมไฟนี่แหละเป็นพระเจ้าดินน้าลมไฟนี้เป็นพระเจ้าที่สร้างโลกแล้วก็เป็นผู้ที่ทำลายโลกทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ที่มีอยู่ในโลกนี้เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟแล้วสักวันหนึ่งธาตุทั้งสี่ก็จะแยกทางออกไปต่อไปโลกนี้ก็จะระเบิดเป็นเสียงไปแตกเป็นแยกกันไปน้ําก็ไปทางดินก็ไปทางเหมือนกับร่างกายของเราถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นพระเจ้าสร้างโลกใครเป็นพระเจ้าทำลายโลก ก็ขอให้ขอให้ตอบไปได้เลยว่าก็คือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเป็นผู้มาสร้างโลกและเป็นผู้มาทำลายโลกทำลายร่างกายของพวกเราสร้างร่างกายของพวกเราสร้างร่างกายของสัตว์เดรัจฉานต่างๆแล้วก็ทำลายร่างกายของสัตว์เดรัจฉานต่างๆนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษากัน ถ้าเราอยากจะจบปริญญาขั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาคือได้เป็นพระโสดาบันเราต้องศึกษาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปถ้าเรารู้แล้วเราทำใจเฉยเฉยไม่ไปอยากให้ร่างกายนี้แก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราก็จะได้จบปริญญาขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันอันนี้เป็นการศึกษาที่เราต้องศึกษาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายส่วนขั้นที่สองกับขั้นที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักเราไปหลงรักร่างกายของคนอื่น เพราเราเห็นว่าสวยว่า ง, งามพระพุทธเจ้าบอกพอเราไปรักเขาแล้วเราก็ต้องทุกข์กับเขาเวลาไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ทุกข์เวลาเขาจากเราเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการที่เราไปหลงรักคนอื่นเราก็ต้องพยายามดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาดูตอนที่เขาแก่ดูตอนที่เขาเจ็บดูตอนที่เขาตาย หรือดูต่อดูร่างกายที่อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขาถ้าเราแกะผิวหนังออกนี่เราจะเห็นส่วนต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันเราจะเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเห็นหัวใจเห็นตับเห็นปอดเห็นไตเห็นลำไส้พอเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ความหลงรักเขาก็จะหายไปเราก็จะไม่ต้องรักใครเมื่อเราไม่รักใครเราก็ไม่ทําทุกข์กับใครที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ก็ทุกข์เพราะเราไปหลงรักเขาเพราะเราคิดว่าเขาสวยเขางามเขาน่ารักเราจึงอยากจะอยู่กับเขาแล้วพอเขาเป็นอะไรไปเราก็ต้องมาทุกข์มาเศร้าโศกเสียใจถ้าเรามันศึกษา ดูความไม่สวยงามของร่างกายของเขาดูตอนที่เขาแก่ดูตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยดูตอนที่เขาตายหรือดูอาการ32ที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขาอยู่เรื่อยๆความรักเขาก็จะหายไปแล้วเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาถ้าเราสามารถปล่อยความหลงความรักในตัวเขาได้เราก็จะบรรลุ ปริญญาขั้นที่สามขั้นที่สี่คือขั้นพระสกิดาคามี mm. ขั้นพระอนาคามีดา mm. อันนี้คือการศึกษาด้วยปรญญา mm. ถ้าเราไม่มาวัดเราจะไม่รู้ว่าเราต้องเรียนอะไรบ้าง mm. เราต้องมาเรียนเรื่องธรรมชาติของร่างกายให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรา มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟและให้รู้ว่าร่างกายของทุกคนไม่สวยไม่งามไม่น่ารักน่าเกลียดน่ากลัวเพียงแต่เราไม่มองมันเท่านั้นเองไปมองส่วนที่น่ารักก็เลยหลงรักเขาถ้าเกิดเขาตายไปวันนี้เรายังจะรักเขาอยู่รึเปล่าเรายังจะเก็บร่างกายเขาไว้ที่บ้านรึเปล่าไม่คิดกันก็เลยคิดว่าเขาน่ารักกันแต่พอเขาตายพุนี้ ไม่น่ารักแล้วเราไม่คิดกันเราไม่มองความจริงกันเราเลยถูกความหลงหลอกให้เราไปทุกกับร่างกายของคนอื่นเวลาเขาจากเราไปเวลาเขาไม่อยู่กับเราเราก็เศร้าโศากเสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่น่ารักน่ากลัวเราก็จะได้ไม่อยากจะอยู่กับเขาก็จะทำให้เราอยู่คนเดียวได้ไม่รู้สึกเหนาไม่รู้สึกว้าเว นี่คือเรื่องของการศึกษาขั้นต้นคือขั้นของร่างกายถ้าเราผ่านขั้นร่างกายเราก็ไปศึกษาขั้นจิตใจต่อไปที่ละเอียดกว่านี้ที่ยากกว่านี้ก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องจิตใจได้เราต้องผ่านเรื่องของร่างกายไปให้ได้ก่อนในวันนี้ขอให้พวกเราเอาเรื่องของร่างกายนี้ไปศึกษากันก่อนก่อนที่เราจะไป ศึกษาเรื่องของร่างกายได้เราก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เป็นให้จบชั้นพรมให้ได้ก่อนและก่อนที่เราจะจบชั้นพรมได้เราก็ต้องจบชั้นเทพให้ได้ก่อนต้องทําบุญทำทานรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนนี่เป็นขั้นตอนของการศึกษาปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเหมือ น, ก, นกับการศึกษาตามโรงเรียนเราต้องเรียนตั้งแต่ขั้นอนุบาลขึ้นไป แต่ถ้าเราจบขั้นไหนแล้วเวลาเราย้ายโรงเรียนเราก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เช่นเราจบป .6 แล้วพอเราย้ายโรงเรียนเราก็ต่อม .1 อได้เลยชั้นใดการศึกษาของจิตใจก็เหมือนกันสมมติว่าถ้าชาตินี้เราจบชั้นเทพแล้วชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็เรียนต่อชั้นพรมได้เลยเราก็มานั่งสมาธิต่อได้ถ้าเราจบชั้นพรมแล้วชาติต่อไป เราก็เรียนระดับปริญญาได้เลยไปศึกษาธรรมชาติเรื่องของร่างกายได้เลยว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือเปล่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายนี้ทุกหรือสุดแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงแล้วเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัด มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพานิพานขั้นพระอาหารหันต์อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้บรรลุกันเราก็จะได้บรรลุเช่นเดียวกันตามลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติคือทาบุญรักษาศี นั่งสมาธิเจริญปัญญาจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษา<ฮ>ทำขั้นต่างๆเพื่อให้ท่านจะได้นำออกไปปฏิบัติแล้วจะได้ยกระดับชีวิตจิตใจของท่านให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้